เนติปกรณ์ต่อจากครั้งที่แล้วนะเนี่ยมาขึ้นหาระใหม่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะหาระคืออะไรหาระคือวิธีกำจัดความหลงความสงสัยความเข้าใจผิดในพระพุทธพจน์ในพระพุทธพจน์ในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่เข้าใจหาระทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าผิดไม่ยากนะ คือถ้าเข้าใจถูกเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากถ้าเข้าใจผิดนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาถือเป็นเรื่องปกตินะ เ, เพราะว่าปกติหมูสาตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้เข้าใจตามคําสอนอะไรพระมหากระจายนะท่านมีกรุณาท่านแสดงเนติปกรณ์เพื่อให้เราเข้าใจความหมายของพระพุทธพจน์คือพระพุทธพจน์นั้นพระองค์แต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่ายแล้ว เข้าใจไม่ยากสำหรับผู้ที่มีปัญญาทั้งหลายทีนี้ส่วนผู้ที่ปัญญาไม่มากเนี่ยปัญญาไม่มากจำต้องอาศัยการอนุเคราะห์นะจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในพระพุทธพจน์พระมหากัใจยนะนั้นเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความเข้าใจในพระพุทธพจน์เป็นอย่างดียากที่จะหาผู้เทียมเท่านในสมัยพุทธกาลนั้นพระมหากรใจยนะนั้นถือว่า เป็นพระที่พระพุทธเจ้ายกย่องมากรองจากพระสารีบุตรพระโมคคลานะพระมหากัสสปะรองจากพระอนุนซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากเป็นปุโรหิตของพระเจ้าปัจจันตชชดเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถฟังข้อความย่อยๆสั้นๆแล้วขยายให้พิสดารได้แล้วก็การขยายเนื้อความโดยพิสดารของพระมหากจัจจยนะทุกครั้ง พระพุทธเจ้าอนุโมทนาเสมออนุโมทนาเสมอวาสาทุสาธุเพราะว่าคำอธิบายของพระมหากัจายนะนั้นในเรื่องนั้นๆเนี่ยเสมอด้วยพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าอธิบายพุทธพจน์เหล่าใดออกมาการอธิบายของพระมหากัจายนะนั้นถือว่าขยายตามอัธยาศัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะตามพุทธประสงค์ท่านพระองค์เจึิอนุโมทนา อันถ้าเราศึกษาคำพีศึกษาพระธรรมที่พระมหากรจยนะได้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้เราทั้งหลายได้เรียนรู้ถ้าเราเข้าใจคำที่ท่านแนะแนวชี้แนะให้เราจะสามารถเข้าใจในพระพุทธพจน์ได้เป็นอย่างดีเพราะความเข้าใจในพระพุทธพจน์ที่ดีที่ถูกต้องจะนำมาซึ่งสัมมาปฏิบัติจะนามาซึ่งการปฏิบัติที่ชอบ ผู้ที่มีการปฏิบัติที่ชอบมีการปฏิบัติที่ตรงก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้นะซึ่งการปฏิบัติธรรมทั้งหลายถือคำสอนเป็นประมาณถ้าไม่เป็นไปตามคำสอนการปฏิบัติเหล่านั้นถือว่าผิดพลาดนี่ทายังไงเราจะได้เข้าใจคำสอนโดยที่ไม่ผิดพลาดถ้าเข้าใจคำสอนไม่ผิดพลาดการปฏิบัตินั้นต้องถูกต้องอย่างแน่นอนนันการเรียนเนติปรกรณ์นี้ก็เป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจคําสอนได้อย่างถูกต้องเข้าใจคําสอนโดยไม่ผิดพลาดนี่มาดูข้อความในบัญญัติติหาระเนี่ยนะบัญญัติบัญญัติ น, ตนั้นแปลว่าลักษณะให้รู้ทำทั้งหลายด้วยบัญญัติต่างๆคือในคําสอนของพระพุทธเจ้านั้นสามารถเอามาบัญญัติโดยประการต่างๆได้ ในนิติปรกรณ์เนี่ยนะข้อ39หน้า72กล่าวว่าบรรดาหาระเหล่านั้นบัญญัติหาระนั้นเป็นไนคะาถาว่าเอกังพัควาธรมมังปัญญัติหิวิวิธาหิเทเสติที่แปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งด้วยบัญญัติหลายประการเป็นต้นอันนี้ชื่อว่าปัญญัติหาระคือในหนึ่งสูตรเนี่ยนะ ถ้าเอามาจำแนกว่าคำตรงนี้เป็นบัญญัติแบบนี้คำตรงนี้เป็นบัญญัติแบบนี้นะพันในหนึ่งพุทธพจน์เนี่ยมีหลายบัญญัติด้วยกันทีนี้ในบัญญัติเหล่านั้นมาขึ้นบัญญัติตัวแรกก่อนเลยนะที่ให้เห็นชัดว่าเทศนาที่เป็นไปโดยธรรมกถาโดยปกติซึ่งออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้านี้ชื่อว่านิเคปะบัญญัติ นี่เคปะบัญญัตินี้แปลว่าบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เห็นไหมพระองค์นี้ตั้งเอาไว้เพราะว่าอย่างเรามาสังเกตดูระหว่างสองท่านเนี่ยคือพระปัจเจกกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งสองท่านเนี่ยชื่อว่ า, าผู้ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องไม่ผิดพลาดแล้วตรัสรู้ด้วยตัวเองสิ่งที่ตรัสรู้พระปัจเจกพรพุทธเจ้าตรัสรู้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ต่างกัน ไม่ต่างกันในการตรัสรู้อริยสัจไม่ต่างกันในการตรัสรู้มรรคผลนิพพานไม่ต่างกันโดยการแทงตลอดสภาวะธรรมไม่ต่างกันในการกำจัดราคะโทสะและโมหะไม่ต่างกันในการตรัสรู้ไม่ต่างกันในการหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแต่บุคคลสองท่านนี้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับพระประเจกพุทธเจ้าต่างกัน เพราะพระปัจเจกพระพุทธเจ้าไม่สามารถบัญญัติคําสอนได้ไม่สามารถเอามาบัญญัติเช่นไม่สามารถบัญญัติอริยสัจได้นะไม่สามารถบัญญัติโพธิปักขิยธรรมได้ไม่สามารถจะบัญญัติพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมได้ไม่สามารถมาแสดงเป็นพระสูตรต่างๆได้ซึ่งต่างจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเอามาบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผย นะมาบอกมากล่าวการที่พระองค์สามารถเอามาบอกมากล่าวคําสอนนั้นแหละเรียกว่านิเคปะบัญญัติบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้เพราะเทศนาที่เป็นไปด้วยธรรมมักะถาโดยปกติซึ่งออกมาจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นไงปกติที่พระพุทธเจ้าสอนเลยนะทุกสูตรพระองค์สอนอะไรก็คือสอนสัจจะทั้ง4คือสอนอริยสัจทั้ง4ประการนั่นเอง ไม่มีคำสอนสูตรใดที่พ้นไปจากสัจจะสี่เียนะไม่มีคำสอนอะไรที่พ้นไปจากอริยสัจเลยพ่านใครที่ฟังพระธรรมเนี่ยนะศึกษาพระธรรมอย่างไรเนี่ยต้องพยายามจับประเด็นให้ได้ว่าคำที่กําลังฟังอยู่นี้อยู่ในอริยสัจข้อไหนอันนี้เป็นเป็นตัวที่จะต้องกาหนดเอาไว้ในใจเสมอไม่งั้นเนี่ยฟังไปเรื่อยใชฟังเยอะแยะไปหมดเลยน้ำท่วมทุ่งโอยไม่มีน้ำดื่ม เคยเห็นแม่ยอมเคยเคเห็นน้ําท่วมไหมแล้วไม่มีน้ําดื่มน่าแปลกนะว่าน้ําท่วมนี่ต้องเอาน้ําดื่มไปแจกด้วยเนี่ยนี่ลําบากนี่ก็เหมือนการคําสอนที่กว้างใหญ่ไพศาลเราฟังมาเยอะฟังมามากแต่การฟังทั้งหมดต้องจับใจความว่าสิ่งที่เราฟังนี้คืออริยสัจอริยสัจมีอยู่4ประการคือทุกขอริยสัจสมุทัยอริยรสัจ ท, ทุกขานิโรธอริยสัจและทุกขานิโรธคาไินีปฏิปทา อริยสัจสิ่งที่เราฟังนี่อยู่ในสัจจะไหนอยู่ในสัจจะอะไรเนี่ยนะอันนี้ต้องกําหนดจดจําให้ได้เนี่ยนะพุทธคาคำนี้คือทุกขสัจคำคำนี้คือสมุทัยสัจคำคำนี้คือมรรคสัจคำคำนี้คือนิโรธสัจจะต้องฟังอย่างนั้นให้ได้ถ้าฟังอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้แล้วจะบรรลุอริยสัจอะไรเพราะฉะนั้นเบื้องต้นการฟังธทำเนี่ยจะต้องฟังให้เป็น อริยสัจก่อนเนี่ยนะฟังว่าทุกๆเรียน ท, ทุกอย่างที่เราเรียนเนี่ยคืออยู่ในสัจจะอะไรยกตัวอย่างเช่นเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าอีทางทุกขังหรืออีทังทุกขังอริยสัจจังเนี่ยนะก็คือนี้ทุกขาริยสัจไอทุกขาริยสัจไอการบัญญัติว่านี้ทุกขาริยสัจนี้เป็นนิเขปะบัญญัติเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าตั้งเอาไว้พระองค์ตั้ง นิเคปะบัญญัติที่พระองค์ตั้งเอาไว้ตั้งอะไรบ้างก็ตั้งขันห้าท่าห6ตั้งท่าสิบแปดตั้งอายตนาสิบสองตั้งอินทริสิประการว่าทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยคือทุกขอริยสัตว์นี้คือทุกขสัจจะนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ใช่ไหมพระพุทธเจ้านี้แสดงทุกใช่ไหมทุกคืออุปาทานขันหอุปาทานขันห้าทุกเพราะอะไร เพราะไม่เที่ยงเป็นต้นนะทุกขารยาศัตร์เนี่ยนะตรงนี้ยกมาเป็นตัวอย่างว่านี้ตัวอย่างที่ทัวหนึ่งเอาไหมนี้ทุกนี้ทุกขสมมูทัยนี้ทุกขานิโรดนี้ทุกขานิโรธาคาณิปฏิปทาแล้วก็นี้ทุกนี้ทุกเนี่ยมีอะไรบ้างนี้ทุกคือขันห้านี้ทุกคือธาตุหนี้ทุกคือธาตุสินี้ทุกคืออายตนะ12นี้ทุกคือ อนอันนี้คือการประกาศว่าทั้งหมดนีคือทุกขศัสจรนะ์นะขันหมีอะไรบ้างขันหที่เป็นทุกขศัสตร์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้เป็นทุกขศสตรนะเมื่อกี้สวนว่าไงนะเพื่อให้สาวกกำหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เอง จึงพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ ย, ยังทรงพระชนอยู่ย่อมทรงแนะนําสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจําแนกอย่างนี้ว่าโรคไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญ ญ, ญาณไม่เที่ยงเป็นต้นนะนะลักษณะนี้เป็นการประกาศทุกขาริยสัตว์ทุกขาริยสัตว์นั้นโดยกิจที่เราจะต้องเรียนต่อไปคือปริญญากิจนีนะปริญญาธรรมเป็นธรรมที่ต้องกําหนดรอบรู้ คำว่าขันขันก็โดยสับก็แปลว่าเป็นกองต่อไปธาตุหกธาตุนั้นธาตุหกมีอะไรบ้างปฐวีธาตุอาโปธาตุเปโชธาตุวาโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอันนี้เป็นธาตุหกคําว่าธาตุประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสภาวะที่มีอยู่แต่เป็นสภาวะที่รองรับกองทุกข์ ที่จัดแจงทุกโดยอเนกประการเป็นที่จัดแจงทุกโดยประยายเป็นอันมากอย่างเหล็กนี่ยนะธาตุเหล็กนี่มันจัดแจงให้เป็นอะไรมันเป็นรถเป็นเรือเป็นเครื่องบินเป็นอะไรข้าวของเครื่องใช้ทั้งหลายก็คือเหล็กเนี่ยมันจัดแจงใช่ไหมไอธาตุหตัวนี้มันจัดแจงทุกทุกทางกายทุกทางใจทุกคือชาติทุกชร า, าทุกเป็นต้นเนี่ยนะมันธาตุนี่แปลว่าตัวจัดแจงทุกโดยประการต่างๆก็ได้คือธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟและธาตุลมอากาศพร้อมทั้งวิญญาณ ส่วนท่าสิบแมีอะไรบ้างท่าสิบแปาสิบแก็ไล่เป็นทวารทวาระสามเช่นตาสีจักรคูวิญญาณใช่ไหมจักรคูธาต์รูปประธาต์จักรคูวิญญาณธาต์โสตธาต์สัทธธาต์โสตวิญญาณธาต์คานธาต์คันธาต์คานวิญญาณธาต์เชีวหาธาต์ระสะธาต์เชิวหาวิญญาณธาต์กายธาต์โพธพาธาต์กายวิญญาณธาต์ มโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเนี่ยนะนะก็เป็นธาตุสิปในธาตุสิเหล่านี้เนี่ยนะก็ประกาศถึงความไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลนิสตานิชีวะศูนย์ศูนย์จากความเที่ยงศูนย์จากความยั่งยืนแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงเนี่ยนะแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกข์นะนะจริงแต่เป็นจริงที่เป็นทุกข์เพราะทุก ข, ขังใช่ไหมทุกแปลว่าไม่ดีขังแปลว่าเหมือนอากาศ น, นะอย่างคิดคิดง่ายๆ น, นนะชีวิตของเราอีกร้อยปีเนี่ยนะจะมีใครมานั่งอยู่ตรงนี้ัหมเหมือนอากาศเลยใช่ไหมถ้าคิดอีกร้อยปีกลับย้อนกลับมาเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนอากาศที่แปรปรวนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปท่านธาตุเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ศูนย์จริงๆแล้วก็อายตนะเพราะอะไรเป็นตัวเชื่อมต่อใช่ไหมต่ออะไรต่อระหว่างตากับสีเพื่อให้เกิดชาวนาจิตทางทวารตา ต่อหูกับต่อเอาหูกับเสียงมาต่อกันเพื่อให้เกิดวิถีจิตเกิดชวนะจิตเกิดแนวความคิดที่ไหลตามทวานหูจมูกกับกลิ่นมันต่อกันก็เกิดกระแสความนึกคิดทางทวารจมูกลิ้นกับรสที่ต่อกันก็ให้เกิดกระแสจิตกระแสความคิดไหลไปตามทวานลิ้นกายกับโพตภาภะที่ต่อเชื่อมโยงกันก็ต่อให้เกิดกระแสความคิดสืบเนื่องกันไปแล้วก็เมื่อมโนกับธรรมรมทั้งหลาย เกิดเคลื่อนกระแสวิถีจิตก็ไหลสืบเนื่องกันไปความที่จิตไหลสืบเนื่องกันไปเนี่ยนะจิตบางอย่างเป็นวิบากจิตบางอย่างเป็นกรรมจิตบางอย่างก็เป็นกิเลสจิตที่เป็นกรรมก็ทําให้มีอายตนะใหม่ขึ้นมาจิตที่เป็นกิเลสก็เชื่อมกรรมให้มีผลต่อไปเพราะฉะนั้นรรการเชื่อมโยงอย่างนี้เขาเรียกว่าเชื่อมต่อสังสารวัตรให้ยืดยาวยาวเขาเรียกว่าเอาตามาต่อตาเอาหูมาต่อหูเป็นต้นเนีน่ยนะให้ยาวเชื่อมโยงต่อไป เรียกว่าอายตนะอายตนะทั้งหมดเหล่านี้ก็คือทุกทุกขศัพจะ จ, จริงแต่เป็นความจริงที่เป็นทุกนะนะทุกเพราะไม่เที่ยงเป็นต้นส่วนอินรีส10มีอะไรบ้างอินซีสิบอินรีสิบท่านบอกว่ารูปอนะินระีแ8ดนะนะรูปอินรียปดมีอะไรบ้างจากขุนซตาโสตินรีโอคาเนียนซีจมูกคิวเฮียนซคือเลนกายินรียคือกายอะไรเอง รูปรูปรูปคือรูปชีวิตสี4อิทิน4ีปุริสินสี่แปดแล้วใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกาย5บวกชีวิตอีกหนึ่งเป็น6ภาวะรูปคืออิทธิภาวะกับปุริสภาวะก็เป็นปค้าเรียกว่ารูปอินสีเนี่ยมี8ส่วนนามอินรีมี2คือมนินรีกับเวทนินรีนะ มนินซีก็คือใจเวินีเวทนินซีเนี่ยนะอินซีที่เป็นเวทนาเนี่ยนับหนึ่งคือเสวยอารมณ์แต่ถ้ากระจายไปแล้วมี5สุขินซีทุกขินซีโสมนัสสินซีโทมนัสสินซีและอุเบกขินซีซึ่งถ้านับหนึ่งก็คือเวทนาเพราะฉะนั้นอินซีที่เป็นรูปมี8อินซีที่เป็นนามมี2จึงเป็นสิก็คือมนินซีกับเวทนินซีเนี่ยนะ ในทุกขาริยศัสตร์นั้นถ้ากล่าวตามสภาวะถ้ากล่าวตามสภาวะแล้วเนี่ยนะเมื่อมีการจำแนกออกไปปัทวีธาตุก็มีลักษณะสภาวะที่กักขละละักษณะแข็งหรือหยาบอาโปธาตุก็ลักษณะไหลเอือบอาบเกาะกลุ่มวาโย เ, เตโชธาตุก็ย่อยสลายวายโยธาตุก็เคลื่อนเนี่ยนะ เคลื่อนหรือตึงไหวอันนี้เป็นลักษณะของธาตุสี่ธาตุสี่เหล่านี้เนะี่เพราะมีธาตุสีนี่เนะี่จึงมีรู ป, ปขันนะนะรูปปณ ะ, ะลักษณะคือลักษณะที่สลายไปรูปเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งผัสสะผัสสะนี่ก็คือการกระทบอารมณ์เวทนาสเสวย อ, อารมณ์สัญญาจำหมายในอารมณ์สังขารก็คือปรุงแต่งจิตและเจตสิกเนะนะี่ย ส่วนวิญญาณก็รู้แจ้งซึ่งอารมณ์ธรรมะเหล่านี้เนี่ยสภาวะธรรมเหล่านี้เมื่อมีการจําแนกก็คือรูปประธรรมและอรูปธรรมรูปและนามนั่นแหละหรือธรรมเหล่านี้รูปนามเหล่านี้ก็มาแบ่งกลุ่มกลุ่มที่เป็นอดีตกลุ่มที่เป็นอนาคตกลุ่มที่เป็นปัจจุบันเป็นกลุ่มภายในกลุ่มภายนอกกลุ่มหยากลุ่มเลวกลุ่มละเอียดกลุ่มประณีตเป็นต้นเมื่อมีการจําแนกแจกแงงก็เป็นอย่างนี้ การจำแนกเหล่านั้นก็คือจำแนกทุกขศัตท์ซึ่งสภาวะลักษณะที่จริงแท้ของทุกทั้งหมดที่เป็นทุกขศัตท์เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นขันห้าธาตุหธาตุสิบแดอายตนะสิบสองอินทรีปฐวีธาตุอาโปธาตุพัสสะเวทนานามรูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันก็ตามสิ่งเหล่านี้ก็คือปีละนะ สภาพที่เบียดเบียนเท่านั้นเองสภาวะที่เบียดเบียนสันตาปะสภาพที่ร่าร้อนสังคตะเป็นสภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นและวิปริณามะสภาพที่แปรไปสลายไปเสื่อมไปสิ้นไปอันนั้นคือความจริงของทุกขสัจจะอย่าง น, นีอันนี้ยกตัวอย่างว่าการแสดงทุกขสัจจะนี้เป็นนิเข ป, ปะบัญญัติของ พระพุทธเจ้าที่พระองค์ตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ให้รู้ว่านี้ทุกนะนี้ทุกสมุทัยสัตว์ก็คืออะไรบ้างก็คือตันห า, านะเดี๋ยวเรียนปหาตปรธรรมใช่ไหมก็ทำที่ควรละนั่นแหละคือสมุทัยสัตว์จะละทำหนึ่งที่ควรละอัศมิมานะ์ทำสองที่ควรละอวิชาภวะตันหาทำสามที่ควรละตันหาสามทำสี่ที่ควรละโอคะสี่ทำห้าที่ควรละนิวรณ์ห้า ทำห6ที่ควรละตัญหากายะหกทำเจดที่ควรละอนุใส่เจ็ทำ8ดที่ควรละมิชะตะ8ปดทำ9้าที่ควรละทำมีตัญหาเป็นมูล9ก้าทำสิบที่ควรละคือมิชะตะสิบพวกนี้ทั้งหมดก็คือสมุทยสัจจะนั่นแหละถ้ามีการจำแนกก็คือตัวที่นะ ส, สมุทัยลักษณะของเขาก็คือตัวที่ทำให้จมลงในวัตตะตัวที่เชื่อมโยงให้วัตะมันยืดยาวตัวที่ขยาย วัตต์เนี่ยนะลักษณะนั้นเป็นสมุทยสัจจะส่วนนิโรสัจจะก็คือธรรมชาติที่สงบประงับดับกอง ท, กทุกทุกทั้งหลายไม่เป็นไปทุกทั้งหลายทำลายศูนย์เส้นเนี่ยนะเป็นตัวที่กำจัดต้นเหตุแห่งทุกโดยประการทั้งปวงอันนั้นก็เป็นนิโรสัจจะส่วนมรรคสัจก็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ที่เป็นทางให้ถึงนิโรสัจจะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้แจ้งนิโรสัจจะ ฟันผู้ใดปราธนาจะตรัสรู้นิโรสัจจะต้องเจริญอริยมรรสัจจะเนี่ยนะนี้ท่านยกตัวอย่างพระมาหากระจายนะท่านยกตัวอย่างในอัถิราคะสูตรขึ้นมาเป็นตัวอย่างอัฐิราคะสูตรนั้นเนื้อหาโดยสรุปก็คือความติดใจในอาหารสี่ความติดใจในอาหารสี่กับความไม่ติดใจในอาหารสี่อันนี้สรุปสรุปนะว่า ความติดใจในอาหารสีเป็นวัตตะความไม่ติดใจในอาหารสี่เป็นวิวัตตะที่จริงอาหารสี่กับสติปทานสี่ต่างกันไหมไม่ต่างกันยังไงชี้แจง <c oughs> เขาบอกว่าสติปทานเนี่ยนะเป็นเป็นภาเวตประธรรมเป็นธรรมที่ควรจเจริญอาหารสี่เป็นปริญยญาธรรมเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ผู้ใดเจริญสติปฐานสี่ผู้นั้นเชื่อว่า กำหนดรู้อาหาร4เพราะสติปฐาน4คือคุณธรรมที่ไปกำหนดรู้อาหาร4เพราะฉะนั้นผู้ที่รู้อาหาร4ี่จริงผู้นั้นจเจริญสติปทานสนะถ้ารู้จักสติปฐาน4ดีแสดงว่าคนนั้นจะต้องรู้จักอาหาร4เนี่ยนะก็เหมือนกับบอกว่าคนนี้มีความรู้ในเรื่องสมมตินะมีความรู้ในเนติปกรณ์ถ้าพูดเนติปกรณ์ปั๊บเนี่ยนะเท่ากับบอก ตัวที่จะรู้เนติปรกรณ์ต้องเป็นอะไรเป็นความรู้ใช่ไหมถ้าพูดถึงคนที่มีความรู้ก็รู้ในอะไรก็รู้ในเนติปรกรณ์นะชั้นใดก็ดีความรู้ตัวสติสัมปชัญญะคุณธรรมเหล่านี้เป็นตัวกุศลธรรมเป็นธรรมที่ต้องเจริญสติปัฏฐา น, นเน้นที่ธรรมะที่ต้องเจริญต้องภาวนาต้องทําให้มีขึ้นส่วนอาหารสีเป็นสิ่งที่จะต้องเข้าไปรอบรู้พันธาเจริญสติปัฏฐานสีก็ชื่อว่า กำหนดรู้อาหารสี่ถ้ากำหนดรู้อาหารสี่ชื่อว่าเจริญสติปันสีทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะผู้ใดกำหนดรู้กับพระเลงกราหารดีผู้นั้นชื่อว่ากำหนดรู้กายานุปัสสนะกายชื่อว่ากาหนดรู้กายกายก็คือรูปประขันใช่ไหมรูปประขันเกิดเพราะอะไรเกิดอาหารเกิดเนี่ยนะของเราไม่ตโตรอดทำไมมีอาหารใช่ไหม เพราะถ้ากําหนดรู้กายจริงก็ต้องกําหนดรู้อาหารเพราะอาหารเกิดกายจึงเกิดถ้าอาหารดับกายก็ดับลองตัดอาหารดูสิไม่นานนะนะจุติแน่เพราะรูปเกิดเพราะอาหารเกิดรูปดับเพราะอาหารดับเนี่ยนะท่านคนไข้คนใดที่ตัดอาหารโดยประการทั้งปวงไม่นานสักเท่าไหร่เขาก็จะเกิดใหม่ต่อไป ภาษาหารเนี่ยนะไอเวทนาเนี่ยเกิดเพราะอะไรเกิดาาเพราะภาษะเกิดถ้าภาษาเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาผู้ที่เจริญสติปัะญานี่จารณาเวทนาจะไม่รู้ภาษาเลยหรือรู้ไหม mm hmm. เพราะเพรา ะ, ะเวทนาทั้งหลายมีภาษาเป็นเหตุเกิดถ้าภาษาเกิดเวทนาก็เกิดน่นะผู้ที่กำหนดรู้จิตทำปริญญาในจิตเจริญจิตตานุปสนาสติปัญญา เขาไม่รู้จักวิญญาณอาหารเลยหรือรู้ไหมวิญญาณอาหารนํามาซึ่งอะไรนํามาซึ่งนามรูปนํามาซึ่งนามรูปส่วนคนที่เจริญธรรมานุปัสนาสติปฐานเข้าจาักรู้มโนสัญเจตนาหานไหมรู้เนี่ยนะพันใครที่เจริญธรรมานุปัสนาก็ชื่อว่ากําหนดรู้กรรมมโนสัญเจตนาหารคือกรรมถ้าผู้ใดกําหนดรู้กรรมผู้นั้นก็ชื่อว่ากําหนดรู้ ธรร ม, มานุปัสสน์ทำกำหนดรู้ธรรมะเนี่ยนะทีนี้อาหารสี่ก็คือสติปทานสี่สติปฐานสีเนี่ยถ้าถ้าเราเในในสูตรเ น, เน้นตัวที่ควรกำหนดรู้ทีนี้เราต้องมานึกถึงตัวที่เข้าไปกำหนดรู้ด้วยตัวที่เข้าไปกำหนดรู้เนี่ยนะตัวที่เท่าเข้าไปทำปริญญาในอาหารสี่ก็คือตัวสติปทานสี่ทวนอีกครั้งหนึ่งว่าสติปฐานสีมีอะไรเป็นเหตุใกล้ มีอาหารอาหารของสติปัฏฐานสีก็คือสุจริสาสุจริสามก็มีอาหารนะอะไรอินทรีสังวร อ, อินทรีสังวรก็มีอาหารอาหารของอินทรีสังวรคืออะไรสติสัมปชัญญาหรือหิริโอตปะเนี่ยนะิริโอตปะเป็นอาหารของสติสัมปชัญญาเนี่ยนะหรือว่าสติสัมปชัญญาเป็นอาหารของหิริโอตปะเพื่อให้เกิดอินทรีสังวร ที่เป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่มีโยนิโมสมนัิการมีศรัทธามีสุตะเป็นต้นมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วนี่มาดูข้อความโดยสรุปของอัติราคาสูตรเป็นการประกาศสัจจะที่เป็นทุกขสัจกับสมุทัยสัจก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลมีความติดใจมีความยินดีมีความอยากในกับผลิงกระหานมีความอยากในกับผลิงกระหานอะไรเนาะอะไรดีดูว่ามือกลางวันจะทานอะไรกันนั่นแหละมือเช้ามือกลางวันมือเย็นมือว่างอะไรทั้งหลายเนี่ยนั่นแหละอาหารทั้งนั้นแหละนั่นเรียกว่ากับผลิงกระหานเป็นคนที่บริอะไรก็อร่อยหมดเลย อาหารร้อนร้อนก็อร่อยเย็นก็อร่อยกรอบไม่กรอบอร่อยหมดเลยเนี่ยนะลักษณะนี้แหละเรียกว่ากับพลิงกระหานกับพลิงกระหานนี่หมายถึงอาหารที่เป็นคำคำนะนะสมัยก่อนนะสมัยนี้ก็แบบไม่ไม่คำแนละแบบดูดแบบอะไรสารพัดอย่างกับพลิงกระหานนี่ชื่อว่าอาหารนี่แปลเพราะอะไรเพราะนํามาซึ่งรูปมีโอชาเป็นที่8เนี่ยนะนะกับพลิงกระหานเนี่ยเป็นตัวบํารุงร่างกาย ทำให้ร่างกายนั้นจเจริญเติบโตขึ้นถ้าหากว่าผู้ใดติดใจในกัะลิงกะราหานนะอร่อยหมดเลยนะบริโภคอะไรก็อร่อยผักก็อร่อยผักก็อร่อยผลไม้ก็อร่อยน้ำก็อร่อยอะไรอะไรก็อร่อยไปหมดเลยเรียกว่าติดใจไปหมดวิญญาณก็ย่อมตั้งอยู่ย่อมเป็นไปในเตโูมะกะวาตะคือหมายถึงว่าถ้า อร่อยไปหมดเลยหน้าเพลิดเพลินไปหมดหน้ายินดีไปหมดไม่ต้องห่วงหรอกวัตตะนี่ยาวเพางั้นใช่สรวลภาสาราวัตนี่ยาวเนี่ยนะกามาพบรูปประพบอรูปประพบเนี่ย ย, ย, ยุดอย่างเดียวไม่มีหยุดเพราะอเพราะตัวตันหาที่เข้าไปเพลิดเพลินในถ้าเพลิดเพลินในอาหารก็ชื่อว่าเพลิดเพลินในรูปประขันถ้าเพลิดเพลินในรูปประขันก็เท่ากับเพลิดเพลินในภพที่มีรูปประขัน เพลิดพเพลินในภพที er ่มีร <carro> ูปพอวิญญาณตั้งอยู่ย่อมเป็นไปในวัตฏะในภูมิสานะเตภูมกวัตวะเนี่ยนะหมายถึงว่าวัตฏะในภูมิสามบรนท่าเพลิดเพลินในอาหารวิญญาณก็ย่อมตั้งอยู่เป็นไปในวัตฏะในภูมิสเมื่อวิญญาณเป็นไปในวัตฏะในภูมิสามนามรูปก็ยังลงในวัตะในภูมิสาเมื่อวัตะยังลงในรามรูปในภูมิสาม หรือเมื่อนมรูปยังลงในวัตตะในภูมิสามสังขารทั้งหลายก็เจริญในวัตตะในภูมิสามนั่นแหละเมื่อสังขารทั้งหลายย่อมเจริญในฐานะใดการปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไปย่อมมีในฐานะนั้นถ้าทำกรรมที่ใดก็ที่นั่นเป็นที่ตั้งแห่งการเกิดใหม่ถ้าความปรากฏแห่งพบใหม่ในการต่อไปย่อมมีในฐานะใด ชาติชรามรณะย่อมมีในฐานะนั้นถ้าชาติชรามรณะในการต่อไปย่อมมีในวัตฏะใดที่สุดทั้งหลายเรากล่าววัตฏะนั้นว่ามีความเศร้าโศกมีความเร่าร้อนมีความแผดเผาอันนี้เป็นสำนวนพระพุทธเจ้านะถ้ากล่าวแบบสรบุปๆนะถ้าเรามีผลไม้เป็นอารมณ์เนี่ยเกิดชาติหมายได้ไหมไ ด, ได้เกิดเป็นอะไรในผลไม้ดี <c oughs> เป็นนอนอนะ้ <c oughs> <c oughs> มะม่วงนี่ถ้าเราสมมติโอ้โหหน้านี่มะม่วงมันออกเยอะหน่อยใช่ไหมโอ้โหมะม่วงนี่หวานกับนึ้ถึงแต่มะม่วงถ้าจุติตรงนั้นเนี่ยทวนจะอยู่ในฐานะใดของมะม่วงนะก็แล้วแต่นะบางพวกก็เป็นเป็นมดแดงเฝ้ามะม่วงบางทีก็เป็นนอนชนชัยอยู่ในลูกมะม่วงบางทีก็เป็นแมลงวันไต่อยู่ตามมะม่วงนะก็ก็พันๆอยู่กับแทแถวมะม่วงนี่แหละตัวบุ้งตัวนอนตัวอะไรก็ได้ตามใจแล้วกันถ้ามีมะม่วงเป็นอารมณ์ ด้วยอกุศลและจิตอ่ะอันนี้คำว่าเพลดิดเพลินในที่นี้เนี่ยความเพลดิดเพลินเป็นเหตุให้เกิดกุศลหรืออกุศลก็ตามถ้าด้วยกุศลมีมะม่วงเป็นอารมณ์ก็ก็ไปดีแหละวะ่างั้นเถอะแต่ก็ยังวนๆอยู่ในการมาพบอาจจะชาติหน้าเป็นเจ้าของสวนมะม่วงก็เลยยังไงก็ได้ถ้าด้วยอำนาจกุศลใช่ไหก็พันๆเกี่ยวกับมะม่วงตลอดไปนั่นแหละเป็นแม่ค้าขายมะม่วง สรว่าพันพันในมะม่วงพันเพลิดเพลินในมะม่วงก็พบต่อต่อไปก็ยังพันพันวนๆอยู่แถวแถวมะม่วงนี่แหละทีนี้มะม่วงอย่างเดียวหรือที่เราชอบไม่ส้มก็อร่อยอย่างนี้พันพันอยู่แถวแถวส้มนี่แหละแอปเปิ้ลก็ไม่เบาอย่างนี้นะเอาอีกแล้วองุ่นก็ใช้ได้กรอบ <laughs> หวานอย่างนี้นอะไรสรุปว่าทุกแห่งเนี่ยนะผละไม้ทุกชนิดเป็นอารมณ์ของพบใหม่ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยนะฟังอย่างเงี้ยทาใจไม่ค่อยได้จริงหรือแต่หลังจากที่จับตาดูผลไม้มากๆจะรู้ว่าผลไม้เนี่ยสัตว์เยอะจริงๆในในตัวผลไม้นั่นนะถ้าหากว่าผลไม้ใดที่ไม่มีการฉีดยายอย่าคิดนะว่าจะได้บริโภคเพราะอะไรเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยยินดีในผลไม้ยิ่งนะักติดใจในผลไม้เพราะว่ามันมีโอชารสอยู่ในนั้น พันมูสัตว์ที่บริโภคผลไม้เป็นอาหารเนี่ยเยอะมาก น, นะมีทั้งอบายภูมิที่เป็นเดรชานและเป็นมนุษย์ก็สู่แท้แต่ว่าเมื่อติดใจในผลไม้เป็นต้นเนี่ยทำกุศลหรืออกุศลในผลไม้เนี่ยนะแต่ก็สรุปว่าถ้าทำอกุศลในผลไม้ก็เป็นปัจจัยให้ไปสู่อบายแล้วก็บริโภคผลไม้นั่นแหละไปเรื่อยๆเนี่ยนะ จะได้บริโภคแบบอร่อยหรือไม่อร่อยก็ดูที่กรรมมอื่นๆประกอบด้วยนะแต่ในพูดถึงว่ายังไงยังไงก็ยังต้องเกิดอยู่นั่นแหละหรืออีกนายหนึ่งถ้าทํากุศลเกี่ยวกับผลไม้โดยที่มีผลไม้เป็นอารมณ์ก็นําไปสู่พบใหม่อีกอยู่ดีนะจะด้วยกุศลหรืออกุศลเป็นปัจจัยก็ตามถ้ายังติดใจในกับพระลิงกระหานก็ยังมีพบใหม่นะนะถ้าติดใจในข้าวล่ะเป็นอะไรดี ก็แล้วแต่ว่าเป็นมอดเหรอเป็นมอดหรือเป็นอะไรดีก็คืออ่ะตรงนี้หมายคือว่าสุดแท้แต่ว่าตัณหาที่มีข้าวเป็นอารมณ์เนี่ยด้วยอำนาจตัวนั้น่ะเป็นตัวเชื่อมให้มีในพบใหม่แต่ที TP> ่สำคัญก็อยู่ที่ว yes, ่ากรรมที่ไปทำเกี่ยวกับข้าวเนี่ยนะมีข้าวเป็นอารมณ์เนี่ยเราทำบุญหรือมากหรือทำบาปมากกว่ากันเนี่ยนะก็ก็ดูนะนะทำบุญใส่บาศัยบาศกกับใส่ปากอะไรมากกว่ากัน ไม่มาถามถามดูไปกันเลยใส่บาทเ <laughs> นี่ยอาทิตย์ละครั้งมั่งวันละครั้งมั่งเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าใส่ปากวันละ3ครั้งนะวันละ3รอบรอบละ <laughs> หลาย10ครั้งอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปเนี่ยนะ